บัดนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในเวทนาอุปสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูที่เวทนานั้นพระพุะาคเจ้าทรงจำแนกเวทนานในที่นี้ไว้เป็นก้าประการด้วยกัน เต่ปเป็นการมองในจุดของเวทนาที่ปรากฏในขณะนั้นๆเนื่องจากเรื่องของเวทนาเป็นปัญหาทั้งในด้านวิชาการและในด้านการประพฤติปฏิบัติเพราะเวทนาที่ปรากฏในสถานที่ต่างๆนั้นมีจำนวนไม่เท่ากันบางครั้งจะปรากฏเพียงหนึ่งคือเวทนาขัน บางครั้งจะปรากฏเพียงสองคือสุขทุกข์และปรากฏเพียงสามคือสุขทุกข์กับไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นต้นล่างแล้วปัญหาสำคัญที่ควรกำหนดทำความเข้าใจเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเอาไว้ในการระลึกถึงเวทนานุปัสนาสติปทานก็คือว่าเวทนานั้นเป็นงานของจิตที่ทำหน้าที่เสวยอารมณ์พระจันั้นลักษณะของเวทนาจริงๆ จึงมีการสวยอารมณ์เป็นลักษณะส่วนอารมณ์จะเป็นไปอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งและอารมณ์ที่เวทนาทำหน้าที่สวยนั้นก็แบ่งออกเป็นหกประเภทด้วยกันเวลาทันเรยกเต็มเตมตามภาษาของธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงใช้คำเต็มเต็มว่า ความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยซึ่งหมายความว่าในขณะนั้นจิตจะทำหน้าที่เสวยอารมณ์ในกรณีที่ตาเห็นรูปเกิดความรู้ขึ้นทางตาที่เรียกว่าผัสสะจิตก็จะทำหน้าที่กำหนดอารมณ์เหล่านั้นจะออกมาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดของจิต ว่าจิตไปกําหนดรูปที่ผ่านมาทางตาไว้ในลักษณะอย่างไรกร <c oughs> นีจะพบว่าตามปกติแล้วจะออกมาสามทางเสมอจะออกมาเป็นสุขซึ่งก็หมายความว่าขณะนั้นจิตไปกําหนดรูปที่ตาเห็นเป็นสิ่งที่น่าคลายน่าปรารถนาน่าพอใจใจก็ได้สุขเวทนาใจก็ทําหน้าที่สวยสุขเวทนาในขณะนั้นๆ ที่นีในบางครั้งบางคราวรูปที่ใจไปกำหนดออกมาในลักษณะที่ไม่ชอบขณะนั้นใจก็เป็นทุกขเวทนาใจก็ทาหน้าที่เสวยทุกขเวทนาในขณะนั้นนั้นสาท่าที่ยังปรุงแต่งรูปนั้นอยู่เวทนาที่เป็นทุกขมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวมันเองเรื่อยไป จึงจะเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นคือทุกข์มากขึ้นก็หมายความว่าจิตไปปรุงเอาความไม่ดีของรูปนั้นมากขึ้นอาจจะน้มน้อมเข้าไปเรื่องราวในอดีตการนานไกลแล้วก็นํามาปรุงแต่งที่จะใช้คําว่านำมาปรุงคิดนํามาคิดปรุงคือปรุงแล้วคิดคิดแล้วปรุงปรุงแล้วคิดคิดแล้วปรุงตราบใดที่ยังปรุงคิดอยู่ในแนวนี้ทุกเวทนาก็ครองจิตอยู่ตลอดระยะเวลานั้น แต่การครองจิตของเวทนาเป็นการครองตามเหตุปัจจัยคือแก่เปลี่ยนแปลงของแกไปเรื่อยอาจจะทุกข์มากขึ้นเพื่อจะทุกข์ลดลงแต่ถ้าปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นก็จะเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นคือเพื่งสังเกตว่ารูปารมณ์ที่ผ่านมาทางจากักษุสัมผัสเป็นเหตุให้จิตเสวยเวทนารือรู้สึกอารมณ์ในขณะนั้นๆถ้าเวทนามีลักษณะนี้หมายความว่า รูปเหล่านั้นจิตจะต้องได้เคยรับเก็บไปแล้วในกรณีที่เป็นสุขเวทนาคือจิตเก็บไว้ในฐานะที่เป็นของน่าใครน่าปรารถนาน่าพอใจมาก่อนพอเห็นในคราวนั้นก็กลายเป็นความพอใจบวกคือเพิ่มความพอใจขึ้นมาจิตก็นำมาปรุงต่อนามาย่อยต่อก็เป็นสุขกันตลอดไปทีนี้ถ้าหากว่า ในกรณีที่เป็นทุกเวทนามองย้อนไปดูที่รูปอีกทีหนึ่งก็จะพบว่าเป็นรูปซึ่งจิตเคยเก็บไว้แล้วอาจจะเก็บไว้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันหรือตรงกันข้ามกับรูปที่เราชอบหรือละไม้คล้ายเคียงคล้ายครึงกันกับรูปที่เราไม่ชอบแต่จะต้องเก็บไว้ในด้านไม่ดีเพรเห็นรูปเข้าในครั้งนั้นก็กลายเป็นแรงบุกยิดก็ปรุงต่อคิดต่อทุกเวทนาก็บังเกิดขึ้น และการเก็บของจิตนั้นจะพบว่ามีบางอย่างซึ่งเป็นการเก็บที่ยาวนานผ่านข้ามพบข้ามชาติมาก็ก่อให้เกิดเป็นเวทนาในลักษณะอย่างเดียวกันคือเป็นทุกข์ก็เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นสุกขก็ น, นี้เพิงสังเกตว่ารู ป, ปารมณ์บางรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในกรณีของคนที่เราพบเห็นเป็นครั้งแรก ในชาติปัจจุบันนี้เราไม่เคยเก็บรูปนั้นเอาไว้เลทั้ทงในด้านดีและด้านไม่ดีแต่ทําไมาเวทนาจึงเกิดเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างคือเกิดพอใจชอบใจยินดีในบุคคลนั้นหรือไม่พอใจไม่ชอบใจไม่ยินดีในบุคคลนั้นในแง่นี้แสดงให้เห็นว่าเป็นการเก็บการสะสมรูปนั้นที่ฝังอยู่ในจิตสันดานของบุคคลที่ข้ามภบข้ามชาติมา ดันั้นพระบุมีพระพักร์เจ้าจึงทรงสแสดงว่าความรักนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการคือการอยู่ร่วมกันในอดีตการหนึ่งการเกื้อกูลกันในปัจจุบันการหนึ่งเหมือนกับการเจริญเติบโตของดอกบัวอาศัยเหตุสองประการคือโคลนตมกับน้ําที่หล่อเลี้ยงดอกบัว แต่สิ่งทั้งสองประการนี้ยังมีอยู่ดอกปัวก็จะเจริญเติบโตเรื่อยไปความรักความชังก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่การมองพระพุทธศาสนาสุภาษิตนั้นพึงเข้าใจหลักฐานใหญ่เอาไว้ว่าทรงแสดงเป็นรูปกุศลอกุศลกลางกลางซึ่งเป็นสูตรตายตัวอยู่อย่างนี้เสมอไปเหตุที่ทรงปรารฏแสดงนั้นเป็นเรื่องของความรักก็พูดถึงความรัก ใช้ความรักเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันนั้นอีกภาคหนึ่งของความรักก็คือความชังเหมือนอีกภาคหนึ่งของกุศลก็คืออกุศลอีกภาคหนึ่งของอกุศลก็คือกุศลอีกภาคหนึ่งของชังก็คือความรักก็จะตรงกันข้ามอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเหมือนความมืดตรงกันข้ามกับแสงสว่างฉะนั้นวันจากจุดนี้เองและจากนิทานบุคคลเรื่องราวต่างๆที่ทรงแสดงไว้ เป็นการเชื่อเห็นว่าเวทนาทั้งบวกทั้งลบคือเกิดขึ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ส่วนหนึ่งที่เรามองเป็นเรื่องใหม่เฉพาะในชาตินี้แต่ท้จริงแล้วเป็นการเก็บการสะสมของบุคคลไว้นันไว้ในอดีตชาติทำให้รู้สึกเกิดความรักสนิทสนมขึ้นคุ้นเคยกับบุคคลบางคนที่ตนเพิ่งพบเป็นคราวแรกและเกิดไม่ชอบเกิดหวาดระแวง พอบุคคลบางคนที่ตนพบในคราวแรกนี่ก็อาศัยการเก็บรูปารมณ์นั้นไว้ในจิตสันดานซึ่งผ่านพบผ่านชาติมาเป็นอันมากค้อนนี้พอบุคคลผู้นั้นทำลายวิชาคือความไม่รู้ในสังสารวัฏได้ด้วยประเพณีวาสานุติยานก็รู้ถึงสมุทฐานที่แท้จริงว่าปัจจัยให้เกิดเวทนาในลักษณะไกลเช่นนั้น ที่จริงเป็นการเก็บการสะสมไว้ภายในจิตที่ผ่านพบชาติดงกล่าวการพบเห็นเวทนาบางอย่างการพะเห็นอารมณ์บางอย่างซึ่งจิตไม่ได้เก็บไว้ทั้งในอดีตไกลเรืออดีตใกล้หรืออาจจะเก็บไว้ในอดีตไกลแต่เราลึกไม่ได้คือไกลเกินไปจิตจะมัธยัติกลางๆคือเฉยๆจะไม่รู้สึกดินีและหยินไรเฉพาะในขณะนั้น แปลว่าต่อจากนั้นความเปลี่ยนแปลงในการกําหนดรูปนั้นก็จะเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเหตุบุคคล น, นั้นแสดงความเป็นมิตรไมตรีขึ้นมาเวทนาก็เป็นสุขเวทนาหรือแสดงอาการดูถูกดูมิ่นขึ้นเวทนาก็กลายเป็นทุกขเวทนาและอารมณ์ที่กล่าวมานั้นก็มีเพียง6อารมณ์เท่านั้นเอง ซึ่งทรงใช้คำเต็มในข้อต่อไปว่าความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดข pues ึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยซึ่งหมายความว่าเกิดขึ้นมาจากหูได้ยินเสียงความรู้สึกอารมณ์เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นความรู้สึกอารมณ์เป็นความสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจมูกไปสูดผิวความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็น Tokyo <aste> ปัจจัย <t aste> ก็คือจิตเสวยอารมณ์ในกรณีที่ลิ้นไปกระทบกระดดความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยคือกายไปกระทบกับเย็นร้อนอ่อนแข็งเข้าวและความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นพราะใจไปปรึกนึกถึงอารมณ์ที่เก็บสะสมไว้เป็นปัจจัยจะแสดงเห็นว่าเบทนานั้นแกจะต้องเกิดมาด้วยเหตุปัจจัยตลอดไปถ้าไ ม, ไม่ไม่มีเหตุปัจจัยแล้วแกก็จะไม่เกิดขึ้น แต่เนื่องจากกระบวนของชีวิตเป็นกระบวนการของเหตุปจัจจัยคือมีเหตุปัจจัยอยู่ด้วยจะบวกจะลบหรือจะกลางกลาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเวทนาจึงมีอยู่ด้วยไปส่วนจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางก็ว่ากันเป็นกรณีกรณีไปแต่ทําไมบางครั้งท่านจึงกระจายเวทนาออกไปไกลามากเจตญาณที่บอกว่าเวทนาร้อยแปเป็นการกระจายที่เต็มรูปทําไมจึงกระจายเช่นนั้น ก็ต้องมองย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเพื่ออะไรก็ตอบไ้ว่าเพื่อบรรเทาตัณหาจริตที่เป็นไปในรูปอันละเอียดในความรู้สึกอันละเอียดและที่จริงก็คือรูปอันละเอียดนั่นเองเพราะคำว่าอารมณ์ดังกล่าวแล้วนั้นเป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายตัณหาจะสายไปในอารมณ์ แกไม่ได้หยุดอยู่เฉพาะปัจจุบันให้มองดูลักษณะสายไปของจิตในอารมณ์ทั้งหลายนั้นเอากจรจจิงและกสายยุ่งไปหมดเลยบางโอกาสบางครั้งบางคราวไม่พอใจในปัจจุบันอาจจะเพราะวัยหรือเพราะความไม่สมหวังหรือเพราะเหตุปัจจัยอะไรก็ตามใจของบุคคลก็จะเริ่มสายจากปัจจุบัน ลักษณะเหล่านี้ให้ลองสังเกตว่าจะเชื่อมโยงกันหมดทุกจุดที่ทรงแสดงเอาไว้เช่นในระดับชาญในสมาสมาธิที่เคยกราบมาอุตจากขุกจักคือความฟุ้งซ่านราคาญของจิตนั้นเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากใจไม่ได้สุขถ้าได้สุขจะไม่ฟุง้งที่ฟุ้งเพราะไม่ได้สุขเพราะฉะนั้นเวทนาในบางเวทนาก็เหมือนกัน แกจะไม่ยินดีเวทนาคือจิตในขณะนั้นจะไม่ยินดีในเวทนาที่ปรากฏในขณะนั้นเพราะฉั้นจะวิ่งออกจากทุกขเวทนาที่กำลังประสบอยู่กำลังสวยอยู่ซึ่งบางครั้งจะวิ่งย้อนอดีตคือกลับไปสู่อดีตการที่นานไกลที่ใจเคยผูกพันกำหนดหมายชื่นชมยินดีว่าเป็นความดีความงามความสุข แล้วก็จะเพลิดเพลินอยู่ในอดีตถึงลักษณะเหล่านี้จะเป็นเรื่องของคนที่เข้าปัจฉิมวัยพระเวเทนาในปัจจุบันของบุคคลปัจฉิมวัยนั้นไม่น่ายินดีเท่าไหร่ก็จะกลับไปสู่อดีตจะพูดจะคุยจะสนทนาจะสุึกจะนึกสักพักหนึ่งแล้วจะกลับไปสู่อดีตแล้วจะเพลินอยู่กับอดีตเหล่านั้นแต่เนื่องจากการเพลิน ม, มาอาจจะอาจจะเพลินในสิ่งที่น่าคลายน่าปรารถนา เพลินในฐานะความเป็นความยิ่งใหญ่ของตนต่างๆในอดีแตแล้ก็ออกมาในรูปของตัณหาทั้งสามอย่างที่ทราบกันเวทนาก็จําแนกไปตามขณะตามลักษณะของเวทนาเหล่านั้นแต่คนบางคนที่อายุยังอีกมากโลกนั้นยังเป็นโลกแห่งความฝันและความหวังซึ่งแกคิดว่าจะได้ในโอกาสต่อไป ปัจจุบันก็ไม่น่าชื่นชมยินดีอะไยประสบความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นแกจะฝันถึงเวทนาที่เป็นนาคตปรารถนาความสุขมีบ้านมีเรือนมีครอบครัวปรุงแต่งคิดปรุงกันด้วยประการต่างๆเป็นอาการ ข, ายขวยคว้าทางจิตตรหาในอารมณ์ก็วิ่งหมดทั้งสามสายเหมือนกันคือวิ่งไปทั้งการมาตัญหาภวะตัหาวิภวะตัหา เมื่อวิ่งเข้าไปต้องการรูปต้องการเสียงต้องการกลิ่นต้องการรสต้องการผดุตภะต้องการอารมณ์ที่น่าใคราน่าปรารถนาหน้าพอใจคือไปทั้งสามแนวเช่นนั้นมล้ก็กลายเป็นเวทนาเป็นชุดเป็นชุดไปหกสามก็กลายเป็น18ทีนี้มาประลบกับอาดีตการานาคตการปัจจุบันการก็รวมกันไปรวมกันมาก็ว่ากันเป็นเวทนาร้อยแปที่จริงตัวฐานใหญ่นั้นก็คือเวทนา ที่กระจายออกไปเป็นลักษณะ3มลักษณะมีแรงเกิดเพียงหกแหล่งดังกล่าวแล้วเพราะเวทนาที่เกิดขึ้นจากใครก็ตามจะเกิดขึ้ น, นจากหกแหล่งเท่านั้นเองคือจากตาเห็นรูปผูกฟังเสียงเป็นต้นดังกล่าวเพราะโลกเป็นโลกของสัมผัสแต่เพราะจิตนั้นแกเก็บความวิจิตของแกไว้มากแกก็คิดสายไปเรื่อยไปเช่นนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องจำแนกสแสดงลักษณะของเวทนาที่หลากหลายออกไป ในชั้นของปริยัติคือการศึกษาบุคคลจะพบเวทนา1เวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา9เวทนา1ิเวทนา36เวทนาร้อยแเวทนารก็จะนั่งนับตัวเลขได้ไปเรื่อยๆเช่นนี้นั่นคือเรื่องของปริยัติเป็นการจำแนกแสดงออกไปพิสดายนถ้าเรามองดูตัวเลขเช่นนั้นมันก็เหมือนกับใบไม้ ดูแล้วเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องน่ากลัวคล้ายๆจะสติจะตามไม่ทันแต่แท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นไม่ได้สอนให้นับใบไม้เพนับใบไม้นั้นเป็นส่วนของปัญญาที่เราจะต้องเรียนรู้เหมือนการเรียนแผนที่เพื่อจะเดินให้ถูกทางก็เรียนกันไปแต่ในทางปฏิบัติจะพบว่าเมื่อขึ้นอยู่กับจังหวะที่ถึงาเวทนาอะไรก็จะเกิดก็จะเกิดอย่างเดียวแต่นั้นเองเวลาเกิด แต่ถ้าเรารู้ไว้ทุกอย่างของการเกิดแต่งเวทนาเหล่านั้นเราก็จะเข้าใจเวทนานั้นได้ทั้งด้วยวิธีสมถกรรมฐานและวิธีของวิปัสสนากรรมฐานในเวทนาที่ทรงจําแนกสแสดงโดยสภาวะนี้หมายความว่าจิตใจของผู้ปฏิบัติจะต้องอาศัยธรรมะสามประการซึ่งธรรมะสามประการนี้โปรดเข้าใจว่าจะต้องใช้ตลอดไป และจะต้องพูดทุกเรื่องของการเจริญกรรมฐานเพราะถ้าาดธรรมะสามประการนี้จะเดินไม่ได้คือความเพียรความมีสติความมีสัมปชัญญะในกรณีแรกนั้นให้เพ่งดูที่เบตนาที่จริงเบตนาจะเพาะที่ปรากฏแต่นั้นเองแต่อาจจะปรากฏในลักษณะอะไรก็ได้ แต่นั้นจึงทรงสแสดงโดยลักษณะที่ต้องการให้เราเพิ่มปัญญาขึ้นไปในจุดของการเพ่งพินิษเท่านั้นกราแทนที่จะดูเวทนาที่ปรากฏเฉยๆดูลักษณะปัจจัยให้เกิดของเวทนาแก่ด้วยเพื่ออะไรคือจิตแกวิ่งจิตเกะวิ่งก็ให้แก่วิ่งแต่ให้วิ่งใกล้ๆหน่อยเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแกจะวิ่งไปไกล ราอนี้เป็นวิธีการสร้างความคุ้นเคยให้แก่จิตในขณะของการเจริญสมาธิกรมฐ า, านซึ่งทรงใช้ใน ท, ที่ทั่วไปแม้แต่ที่กล่าวมาแล้วโดยเฉพาะกรมรมฐานหลักที่กำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่นั้นก็เป็นการคล้อยตามลักษณะของจิตคือแทนที่จะให้จิตนิ่งอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งก่อนอย่างนี้ทำยากเอาให้วิ่งเดสักพักนะึง วิ่งโดยการนับวิ่งโดยพุทโถวิ่งตามลมข้าววิ่งตามลมออกวิ่งอยู่ในจุดนั้นๆก็คือวิ่งแต่ยังไงยังไงแกก็วิ่งอยู่ที่ตัวไม่ไดวิ่งไกลพอถึงอิริยาบถก็อีกก็วิ่งที่ยืนเดินนั่งนอนพอสัมประชัญยัก็วิ่งทันอิริยาบถคือวิ่งอยู่ที่ตัวนั่นเองไม่ออกข้างนอกพอดูอาการสามสองก็วิ่งอยู่ที่อาการสามสองก็ยังวิ่งอยู่แต่วิ่งไม่ไกล แสดงว่าจิตซึ่งมีสภาวะรับอารมณ์ในที่ไกลก็ส่งสอนให้ดึงมาใกล้ก่อนเพื่อคุมให้แกอยู่ในจุดที่แกควรอยู่ซะก่อนแต่ว่าพอเอาก็จริงพอเกาพอเกา ะ, กะแกก็คงยังวิ่งอยู่พระเจ้าก็ส่งสอนให้วิเคราะห์ลักษณะของเวทนาที่เกิดว่าเช่นแทนที่จะดูเวทนาเฉยๆมันก็เหมือนกับส่งสิ่งของหรือขนมหรืออะไรมาให้ดู การที่จะดูเฉยๆว่าดูนี่เขาทำด้วยอะไรมีอะไรผสมบ้างอาจจะพิสูจน์ด้วยจมูกอาจจะชิมด้วยลิ้นเพื่อพิสูจน์ส่วนผสมที่มีอยู่ในขนมชิ้นเดียวแต่นั้นเองลักษณะของการดูเวทนาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงทรงจำจำแนกแสดงเวทนาออกไปเป็นเป็นก้าเวทนาเป็นหลักใหญ่ทั้งสามประ ก, การัที่กล่าวแล้วคือสุขทุกข์อุทุ ก, ทกขะมาสุขนี่คือเวทนาที่เป็นหลัก แล้วการกระจายนั้นกร จ, จ, จากระจายจากสามนี้ไปหาอารมณ์หกดังกล่าวแล้วแต่ให้ทรงดูว่าสุขเนี่มันสุขรุนรุ่นหรือว่าสุขที่มีอะไรเจือแล้วก็เป็นสุขเฉยๆนี่เป็นการมองในลักษณะแรกคือใจยังไม่สงบมากพอก็ดูเฉพาะสุขไปก่อนทุ ก, ก, ข, ทกข์ก็ดูเฉพาะาทุกข์เฉยๆอทุกขกรรมสุขคือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ดูเฉพาะอทุกขกมสุขเฉยๆดูตรงนี้ไปก่อนทีนี้พอความสงบมาก เหมือนเหมือนกนระับของมาจากที่มืดพอเดินมาถึงที่สว่างมันก็ดูรายชัดขึ้นก็เริ่มดูรายละเอียดก็ดูว่าสุขเนี่ยมันสุขที่อาศัยอามิตถือวัตถุเป็นเหยื่อเป็นเครื่องร่อไหมความสุขที่เกิดขึ้นในขณะ น, นี้อาศัยรูปใสเสียงกลิ่นรสพุทธพรที่น่าใคร่น้าปรารถนาน่าพอใจเป็นเครื่องล่อไหมก็เรียกว่าอามิตเรียกว่าอามิต ส, สุขคือสุขที่เจือด้วยเหยื่อถ้าไม่มีเหยื่อนี้จะไม่ได้สุข เช่นสมมติว่าคนจะนั่งต้องนั่งท่านี้แล้วก็มีหมอนอิงมีอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ถือว่าได้สุขเพราะนั่งอย่างนั้นบอกบอกได้สุขกเวทนานี้มันมีอามิตรลอ่พระถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะไม่ได้จะไม่ได้สุขเวทนาเหลนั้นก็เริ่มใช้สามปัญญาเข้าสนับสนุนเข้า ว, วิเคราะห์แยกเวทนาที่เคยดูนั่นแหละที่จริงไม่ใช่เวทนาอืา่นแต่ก็ ไม่จะเวทนาตัวตัวนั้นเพราะเวทนามันไหลอย่างที่บอกแล้วับแต่เหมือนกัน้ใครดูกับแม่น้ําดูแม่น้ําไหลเราก็ดูในจุดนั้นเองแต่น้ําแกก็ไหลลงไปเรื่อยเมื่อดูถึงจุดหนึ่งเราก็ดูส่วนที่ไหลมากับน้ําเท่านั้นก็ดูแม่น้ํานั้นแหละแต่ว่าดูแยกส่วนออกไปรายละเอียดออกไปมีอะไรไหลามาบ้างมีของดีของเสียอะไรแต่วไหก็ดูเฉพาะส่วนนั้นๆัไป ก็วิธีจริงๆเริ่มต้นก็คือให้จิตมันเกาะเท่านั้นเองแต่ว่าเมื่อจิตวิ่งก็ปล่อยให้วิ่งอยู่ในวงวงใกล้ๆวงแคบๆดูถึงเยือถึงอามิตรว่ามีมีอมิตรเป็นเครื่องล่อถ้าเป็นสามิตสุกคือสุกที่มีอามิตรเป็นเครื่องลอกก็ตอนนี้ขนะนี้ชั้นระดับนี้แล้วก็รู้ไว้เท่านั้นเองเพียงแต่ตั้งสติให้ระลึกอยู่เท่านั้น ไม่ได้ไปปรุงต่อไปไม่ได้ไปทําอะไรต่อไปคือยังยังไม่ถึงชั้นของการใช้ปัญญาปินิ้พิจารณาจะต้องการให้ดูให้มั่นคงในสิ่งเหล่านั้นเมื่อก็ของวางไว้ในมือพลิกกลับไปกลับมาดูรายละเอียดทุกแง่ทุกมุมของสิ่งเหล่านั้นเจาะลึกไปถึงส่วนผสมของสิ่งเหล่านั้นก็ดูสิ่งนั้นนั่นเองแต่ว่าเวทนาบางอย่างนั้นมีการปราลรบุญพานเป็นอารมณ์เกิดปีติเกิดปราโมทขึ้นมา เช่นการได้ยินได้ฟังลักษณะของนิพพานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วก็ย่อยลงมาได้เรื่อยๆ เ, เมื่อตนได้สัมผัสการดับอารมณ์กิเลสได้ในขณะนั้นเช่นว่าเกิดโกรธขึ้นมาข่ม ค, ความโกรธได้สัมผบสสัมผัสความส ง, งบเยน็นนี่ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งคือจะเป็นหนึ่งในล้านได้หนึ่งในแสนก็าตามของนิพพานแต่ก็เป็นลักษณะของนิพพาน เป็นความดับกิเลสได้เวทนาในสมัยนั้นบ้างก็เป็นนิรามิตรสุขเวทนาคือเวทนาที่ไม่ยจือเจือเจื่อแต่เจือปรารพนิภานเป็นอารมณ์เป็นความดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ที่เกิดขึ้นแม้แต่ชั่วขณะหนึ่งแวบบหนึ่งซึ่งก็ว่าที่จริงก็นานกว่ารุ่งควรคือถ้าข่มไว้ได้ข่มใจไว้ได้หลายนาทีมันก็นิภานได้หลายนาทีเวทนาขณะนั้นตลอดกระบวนกาแก่ก็เป็นนิรามิตรสุขเวทนา ก็ ด, ดูดูอยู่เฉพาะที่นิรามิตรสุขเวทนานั้นตกลงว่าในส่วนของสุขเองก็ย่อยในเฉพาะที่นี้ทรงมองในแง่ของเหตุปัจจัยแต่ถ้าเรามองจริงๆก็คือย่อมาจากสายของอารมณ์นั่นเองอารมณ์นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรูปเสียงกิริยโภทะพะนั้นเป็นอามิตรแน่นอนแต่ในส่วนของธรร ม, มารมณ์คืออารมณ์ที่จิตไปปรุงคิดไปคิดปรุงนั้น ถ้าสติรู้เท่าทันดับอารมณ์ดับกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้และสงบอํนานาจของกิเลสได้มันก็กลายเป็นททังยานิพานคือดับด้วยองค์นั้นๆสุขในขณะนั้นก็เป็นนิรามิตสุขเวทนาก็เพ่งดูไปด้วยความสุขด้วยความปีติด้วยความปราโมทใจก็จะสงบจะเพลินอยู่ในสุขเวทนาเหล่านั้นแต่เนื่องจากเป็นเพียงททังกะคือดับด้วยองค์นั้นๆก็ไม่ได้อยู่นานอะไร แกก็อาจจะเปลี่ยนตัวแกไปเรื่อยก็สับไปสับมาหมุนวนแต่ว่าเวทนาก็จะวิ่งอยู่อย่างนีเรื่อยไปพอมาถึงทุกขเวทนาก็เหมือนกันเราจะพบว่าทุกขเวทนานั้นบางครั้งก็เป็นทุกข์คือมองรวมซะก่อนแทนที่จะมองแยกมองรวมซะก่อนแม้แต่มองเหตุปัจจัยเหมือนเหมือนสุขเวทนานังกล่าวแล้วคือมองรวมก็ทุกข์ก็คือทุกข์ยังไม่ย่อย พอจิตส ง, งบดีแล้วก็ค่อยย่อยเพราะเดือดรุ่งนี้มันมาจากไหนมีเหยื่อเป็นเครื่องล่อมีอมิตรเป็นเครื่องล่อไหมประสบกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่ไม่น่าคลายไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจแล้วเกิดทุกขเวทนาหรือเปล่าเป็นเวทนาที่อาศัยรูปเป็นต้นเหล่านั้นในอดีตหรือไปปรุงคาดหมายหวาดวันเอาในอนาคตก็มองดูว่าใจจะจ ะ, จะพบว่ามันก็เป็นอมิตรส่วนมากแล้วจะเจืออมิตรมากกว่าเจออมิตก็คือเจอือ เจอกามคุณหรือว่าเจอวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความอาฆาตพยาบาทแล้วแต่จะเจอทีนี้ทุกเวทนาบางอย่างนั้นปรารบสภาวะธรรมที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดถึงท่านทั้งหลายจะเห็นว่าบางครั้งนั้นปรารบความแก่ความเจ็บความตายที่เป็นสภาวะธรรมจิตใจก็เกิดทุก เกิดรู้สึกว่าเป็นทุกข์อาจจะด้วยปรุงแต่งด้วยสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้หรือมีอาการแบดเบียนใจปอแบแผดเผาใจเออคนเราเกิดมามันก็เท่านั้นเองตกอยู่ในสภาวะธรรมทั้งหลายหมุนวนเปลี่ยนแปลงไปตามหน้าของสภาวะธรรมมันก็เกิดเป็นทุกขเวทนาในขณะนั้นแต่ทุกขเวทนาในขณะนี้จะพบว่าไม่ได้เจือด้วยกรรมมาคุณแต่เจือด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากใจยังถ่ายไม่ออกยังดึงไม่ออกจากความหมายเหล่านั้นคือยังเดินไม่ถึงจุดของแก่ในขณะนั้นมันก็กลายเป็นทุกข์คือมีปัจจัยเข้ามาปรุงเข้ามาแต่งหรือคงสภาพเดิมไว้ไม่ได้หรือมีอาการแผดเปรี้าว ร, าร้อนก็เพ่งพินิจพิจารณาดูในจุดเหล่านั้นตกลงว่าในส่วนของทุกข์เวทนาแกก็ใจตัวเองออกเป็นสามเช่นเดียวกับในส่วนของสุ ข, ขเวทนา ซึ่งในชั้นนี้ทรงสอนให้บุคคลรู้เช่นว่าทรงสอนเป็นสูตรว่าเมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ว่าขณะนี้เรากาลังเสวยสุขเวทนาอยู่เมื่อเสวยสุขเวทนาที่เจือด้วยอามิตดก็รู้ว่าขณะนี้เรากาลังเสวยสุขเวทนาที่เจือด้วยอามิตรอยู่นี่แสดงถึงปัญญาสูงขึ้นขณะเสวย สุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิสแต่เพ่งพินิษถึงปณิพานเป็นอารมณ์ก็รู้อย่างนั้นในส่วนของทุกขเวทนาก็ให้รู้โดยนัยเช่นเดียวกันในชั้นแรกนั้นต้องการให้จิตสงบดูเวทนาเพราะสูตรในการประพฤติปฏิบัตินั้นเมื่อจิตสงบแล้วจะพบความสุขใจปัญญาก็จะผ่องสายปรากฏขึ้นจึงทรงสอนให้ก้าไปอีกขั้นหนึ่ง คือในขั้นของวิปัสสนากรรมฐานสมัครในวันนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป